ดิฉันเองก็มีคนถามผ่านมาหลายท่านนะ น, นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของหมอดูจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธหรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำไมปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเนี่ยกลายเป็นว่าหมอดูเหมือนเป็ น, ปนที่ปรึกษาคนสำคัญเป็นประธานที่ปรึกษา <c oughs> ของคณะโ น, น้นคณะนี้ยกตัวอย่างมีคน อ, าอ้นางว่าคณะที่ปฏิรูป <c oughs> การปกครองก็เชื่อหมอดู <c oughs> คนนี้ก็เชื่อหมอดู แลสุดท้ายเนี่ยประชาชนเนี่ยตกหนักก็คือว่าสมมุติว่าเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้ว เ, เลยคิดถึงผลมาก่อนที่หมอดูออดูไว้แล้วเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นที่หมอดูดูไว้มันจะเกิดอย่างนี้นะคะทางศาสนาพุทธเราในครั้งพุทธกาลนี่มีเรื่องหมอดูอย่างนี้ไหมคะนี่แหละนี่แหละมันเป็นเพราะการที่เราเนี่ยไม่เชื่อมั่นในพระ า, าตนาไกาไม่เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไปพึ่งพาพึ่งพิงสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ แต่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะหาที่พึ่งมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกมันมี3ระดับเนี่ยระดับแรกเนี่ยพวกไม่มีที่พึ่งเลยไอ้พวกนี้แย่ที่สุดไม่มีที่พึ่งเนี่ยจิตมันจะคิดเป็นในทางอากุศลมากกว่ากุศลแต่พวกที่สองเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นส ม, มาธิฏฐิเบื้องต้นมันจะหาที่พึ่งเพึ่งหมอดูพึ่งสะดอกคาะดูเลิกดูยามพึ่งต้นไม้จอมปัวูเขาแม่น้ำลำธารลูกกระเจดีมันก็หาที่พึ่งไปสเปสสะปะแต่ระดับที่3นี่ก็คือ พวกที่มีที่พึ่งถูกต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนละ้รู้แล้วว่าไอ้ที่จะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็คือตัวธรรมะตรงนี้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าะนะและเชื่อมั่นในกรรมว่าอะไรที่จะเกิดขึ้ น, นมันเป็นไปตามกรรมและถ้าจะสะดาะค้อกันจริงๆเนี่ยพรุทธเจ้าบอกกนะันนี่ไงมักมีองค์8ปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมนเครื่องปัดเป่าอากุศลทั้งปวงเนี่ยคล้อทั้งปวงให้หมดไปได้นั้นใครจะเก่งเรื่องนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าเลย เราปเชื่อภูมิปัญญาของเจ้าลทัทธิอาจารย์กออาจารย์ขอ๋อนายกอนายขอกันเยอะแยะไปหมดเลยเราดูถูกผู้เจ้าโดยไม่รู้ตัวนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานํำธรรมะคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยมาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะหมดปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิชาริสติเพราะอะไรผู้ที่พยากรณ์ได้เป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อผิดพลาดมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเพราะอะไรท่านก็บอกเหตุผลเพราะท่านเนี่ยมียานอย่างรู้ไปในอดีตอย่างไม่มีประมาณซึ่งสาวกทําไม่ได้นะ สาวกเนี่ยคุยกันเรื่องอดีตก็คุยกันร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติหนึ่งกับหนึ่งอสงไขย แ, แต่ผู้ชา่างไม่มีประมาณเมื่อยานอย่างรู้เขามีขีดจํากัดการพยากรณเขาก็มีข้อผิดพลาดได้เราต้องรู้เลยว่าสิ่งที่เราฟังการพยากรณของสาวกเนี่ยอนิจจ์นะไม่เที่ยงังั้นถ้าเราฝากความเชื่อถือไว้กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทุกมันจะเกิดอ๋อคือหมายมความว่าถ้าไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นระดับสาวกแล้วเนี่ย ทำนาย <c oughs> ได้แต่ไม่แม่นอย่างนั้นรึเปล่ะคะไม่มีใครในคำพูดการกล้าพยากรเพราะรู้ว่าพยากรมามันไม่ใช่อคใครพยากรมาลองดูสิเขาจะไปถามผู้เจ้าใช่หรือเปล่าหน้าแตกนะใช่ไมืมมันไม่เที่ยงนะ่ะมันอนิจจังดูสิพระโมคคัลลานะเลิศทางฤทธิ์พระอนุลุธทธะเลิศด้านทิพยจะจักขู่มีใครกล้าพยากรมั้ยไม่มีนิ่งให้พระเจ้าพยากร อ, องคเดียวทั้งหมดแต่ตอนนี้เราเชื่อหมอดูหมอดาว หมอปลุกเสกอะไรกันเยอะแยะเป็นหมดเลยไปเชื่อมั่นเขาไปฝากความหวังไว้กับเขาอะไปฝากความหวังไว้กับความไม่เที่ยงคือต้องกลับ<ม>เรียนอย่างนี้นะคะในส่วนตัวเอง<ม>นี่ก็สารภาพว่าก็เคยดูหมอดูค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็ได้พบตัวเองว่าแปลก แ, และและเชื่อว่าเป็นมาตรฐานของ <c oughs> หลายๆคนด้วยนะคะก็<ม>คือตอนอเด็กๆเราจะไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อเลยนะคะใช่ค่ะว่าไม่เชื่อเ <c oughs> สร็จแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ <c oughs> อะไรบางอย่างเราก็ไปดูหมอแล้วเราก็สังเกตคนอื่นนะคะว่า คนเก่งคนฉลาดคนเป็นผู้นําเนี่ยชอบดูหมอดูทั้งนั้นเลยทําไมมันยิ่งเก่งขึ้นยิ่งมีความรู้มากขึ้น uh huh. คนถึงกลับไปพึ่งพิงการทํานายจากหมอดูอย่างนี้มากขึ้นคะคือความรู้รในทางโลกกับในทางธรรมมันไม่เหมือนกันเนี่ยคนมีความรู้ทางโลกนะแต่หาที่พึ่งในทางธรรมไม่ได้หาที่พึ่งทางจิตไม่ได้มันก็หวั่นไหวไงพระเจ้าบอกมันเป็นความสะดุง้งหวาดเสียวสันคลองแห่งจิต uh huh. มันจะหาที่พึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเรามนุษย์เราเนี่ยต้องมีที่พึ่งแต่พึ่งถูกต้องไหมล่ะ ะถ้าพึ่งถูกต้องเนี่ยมันก็พ้นทุกขได้จริงพึ่งผิดมันก็ยังทุกอยู่เราไม่ค่อยเอาความผิดของหมอดูทั้งหลายเนี่ยเอามาพิจารณาจะเอาแต่ว่าเวลาเขาพูดตรงนะเอามาพูดะจะว่าไปในะะระยะหลังเนี่ยห huh. นังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่ huh. ไปเผยแพร่า huh. การทานาย huh. ของหมอดูแล้วก็มักจะเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะซึ่งในทัศนะของตัวดิฉันเองเนี่ยมีความเชื่อว่า การทํานายเรื่องใหญ่ๆและทํานายไปในทางลบซึ่งส่งผลถึงขวัญและกําลังใจนะของคนในประเทศชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้รับการถ่ายทอดออกมาในที่สาธารณะอ่าถ้าอันนี้คิดแบบตัวเองนะคะยังคิดเลยว่าเอ๊พวกนี้ทําผิดพระทุนโนว่าทําลายความมั่นคงของชาตินีมันจริงๆนะคะท่านคือคือคิดอย่างนี้แต่ว่านี่อาส่งออกโดยไม่พิจารณาเราก็ยังอยาอยาเคยคิดว่าจะเสนอว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นในใครดู เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของบ้านของเมืองซึ่งดูถูกดูผิดแต่ทาให้ขวัญกําลังใจของประชาชนส่วนใหญ่เสียแล้วบางทีมันปล่อยให้เรื่องอื่นเสียไปด้วยจริ ง, รงๆเพราะเสียตามาการขาดความเ <ไป S 1> ชื่อมัน่นเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะเราไม่ควรจะอนุญาตให้มีการเผยแพร่ในทางสื่อมวลชนคือจะไปดูกันในที่เราโหฐานเป็นความงงง่ายส่วนตัวอันนี้ก็ปล่อยกันไปนะคะแล้วก็ได้เห็นเอามาเทียบกันเหมือนกันเออคนนี้ก็ดูไม่เห็นแม่นเลย อย่างที่ท่านพูดเลยค่ะว่าพอดูไม่แม่นไม่มีใครเอามาพูดก็จะพูดแต่ในสิ่งที่เออมันตรงมันใช่แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาขู่ให้เขาหวาดกลัวยิ่งตอนสมมุติเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะคะคือบังเอิญเคยเป็นนักการเมืองเนี่ยจะโกรธมากเลยเวลามีใครมาทายทํานายในทางที่ซีการเมืองข้างเราเพลี่ยงพล้ําค่ะคือเรามีความรู้สึกมันเป็นเรื่องจิตวิทยาที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยก็เลยอยากจะแทงข้างถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ มันเป็นความไม่ถูกต้องทางศาสนาถูกไหมคะแล้วสิ่งที่พระไปทำนี่พระเจ้าปรับอาบัติด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่พระทำนี่คะพระลงสุบพินเนี่ยเป็นพระที่ดาราขึ้นอย่างเงี้ยจะเป็นพระดูหมอทางนั้นเลยค่ะปรับอาบัตยังไงคะท่านเราเราไม่รู้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าห้ามสิ่งเหล่านี้ไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของพระหมดไปสะดอกคราะหดูเลิกดูยามทําปลุกเสกเล่ยันทําน้ำมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้พระเจ้าห้ามไม่หมดนะ อืแต่พระก็ยังทําการเพราะว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไงตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกหรือว่าสั่งสอนอบรมพระให้พระเนี่ยมาเดินอยู่ในล่องไมลรอยอบร ม, <c oughs> มพระแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้คารวะ ด, <ช>ด้ว ย, ด, วยด้วยว่าจริงๆเนี่ยมันทํำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยเพราะมันอ น, นิจจังมันไม่แนนะ่อาจจะถูกบ้างแต่ไม่ได้ถูกทุกกรณีเพราะนั้นพอถูกทักทีสองทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะท่านพูดตรงพูดจริงพูดแม่น แต่ไม่รู้ว่าต่อไปนะ่ะมันเป็นอนิจจงนะมันมไม่แน่ดังนั้นถ้าเวลาเกิดมีความทุกข์ขาดที่พึ่งเราจึงควรนั่งสมาธิพึ่งตนเองพึ่งธรรมะทําความสงบของจิตเดี๋ยวปัญญาเกิดเองเราดูถูกปัญญาอันเกิดจากความสงบเราไม่เคยทําจิตให้สงบและเราไม่คิดว่าสงบแล้วมันจะเกิดปัญญายัางไงจริงๆมันเกิดได้สบายมากเกิดได้จริงๆรเหรอคะเกิดได้จริงๆอย่างจิตที่สงบมันดีกว่าคิดภายใต้ความฟุ้งซ่าน จิตให้เราสงบก่อนเนี่ยแล้วค่อยๆหยิบปัญหามาพิจารณาปัญหามันจะค่อยๆแก้ได้รลุล่วงไปได้เท่ากับว่าขณะที่มีปัญหาเนี่ยคิดเองไม่ออกอยากหาหที่พึ่งเนี่ยให้วางปัญหาไว้ก่อนวางปัญหาไว้ก่อนใช่มาทำความสงบก่อนนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งจิตอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันอย่าเปลีนกับความคิดวางความคิดอดีตอนาคตจะไปสนใจรู้อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้ลมหายใจจะเบาขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆ พมันละเอียดมากๆจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยน้อมไปเรื่องปัญหาปัญหานี้ยังคาอยู่ใช่ไหมหยิบมาค่อยๆพิจารณาจิตมันจะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับปัญหาแล้วมันจะค่อยๆแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างรู้ร่วงจิตของเราเนี่ยมีมีคุณสมบัติเนี่ยมหาศาลเลยทําอะไรได้หลายอย่างมากมตรงเนี้ยเป็นการขุดคุยขุดคนนะ้นคุณสมบัติความสามารถของจิตขึ้นมา ผู้เช่าบอกจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอันเด็กคือรู้ทุกเรื่องได้หมดอยากจะไปรู้อดีตอานาคตอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ทุกเรื่องแ <c oughs> ก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง <c oughs> อย่างนั้นเลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะแต่เดี๋ยว <c oughs> มันจะพบไปเรื่องว่าเอ๊ะไปรู้อดีตอานาคตได้นะใช <c oughs> นะ่มันรู้ได้แต่มันตกภายใต้อา น, นิจัง <c oughs> นะทุกอย่างตกภายใต้อานิจังหมดไม่งั้นเดี๋ยวคนนั่งสมาธิพวกทีนี้ ไม่ใช่ไปหาหมอดูคนอื่นแล้วดูให้คนอื่นซะเลยดูเองเลยเป็นคนดูเองแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องถูกต้องให้นั่งให้ทําสมาธิเพื่อที่จะเอาไว้ให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็พ้นทุกข์ให้ได้เพราะว่าถึงจะรู้อดีตอนาคตขนาดไหนก็ตามก็ตายหมดนะอิทธิปาฏิหารไม่ได้แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้เราก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายยังป่วยอยู่แล้วเราก็ยังมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นธรรมะผู้เจ้าแท้ๆเนี่ยถึงจะแก้ปัญหาความทุกเหล่านี้ได้ทอนตัวตนออกจากความเป็นเราในรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณในกายในจิตของเรานี่แหละในอารมณ์ของเรานั่นแหละจะพ้นทุกข์ได้ซึ่งต้องใช้การาฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติค่ะก็เป็นหนทางนะคะที่จะทำให้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาดูกันก็เลยไปดูในตัวเองเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะไม่ดูหมาดู ประเทศชาติมันเลยถูกนําพาไปด้วยมิจฉาทิฏฐิไง <c oughs> ไม่ถูกนําพาไปด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ถูกนําพาไปโดยธรรมธรรมะของกุ้ลนี่แหละมันเป็นผลเสียแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเดี๋ยวนี้ยคนที่เป็นหมอดูเนี่ยก็มีเยอะเหลือเกิน <c oughs> แล้วก็หมอดูนี่ก็ดูกับราคาแพงๆทั้งนั้นไม่รู้ <c oughs> สัมภาระไปหาบ้างหรือเปล่าแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเป็นเพราะเนี่ยยังถามเลยอ่าหรือเป็นเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยพระไม่ได้ประทานโทษนะคะเหมือนกับ เอ้พวกคุณเจ้าเนีไม่ได้ทําหน้าที่กันเต็มที่หรือเปล่าทาไมคนเนี่ยมีความทุกข์แล้วหันไปพึ่งแบบนี้หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าเออเราจะต้องทําแบบเมืองนอกไหมที่ต้องมีหมอทางจิตจิตแพทย์อะค่ะ อ, อย่างเนี้ยพระเนี่ยหมอทางจิตดีที่สุดเลยเพราะคนที่รอบรู้เรื่องจิตดีที่สุดเนี่ยคือผู้เจ้าและสาวพวของผู้เจ้าที่ฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติมาอย่างดีแล้วไม่มีใครรอบรู้เรื่องนี้ได้ดีกว่า แต่อย่างนี้ค่ะท่านคือเหมือนกับว่าบางทีพอเข้าวัดเนี่ยพระก็มีวิธีแก้ปัญหาให้ที่ทําให้ให้มันหนักเข้าไปล่ะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตอบด้วยธรรมะเลยค่ะก็มันก็ยากนะคะคือเหมือนกับว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะไปหาพระที่ไหนใช่ไหมคะที่ที่สะดวกสําหรับเราอันนี้ต้อแสวงหากันเพราะว่าเราเนี่ยต้องเข้าไปแสวงหาเพราะพระก็มีหน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปัปพติปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นค่ะ ตามคําสอนพระเจ้าวันนั้นเราเนี่ยสิทธิ์ต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาวิ่งสแสวงหาสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมก็เป็นเรื่อ ง, ต, องต้องเพียรนนพยายาม <laughs> ต้องเพียรพยายาม <c oughs> คือไปหาคําตอบได้แน่นอนนะคะในวัดแต่ว่าต้องสแสวงหาหน่อยว่าที่เราจะไปหานั้นเนี่ยท่านพร้อมที่จะตอบคําถามเ <c oughs> หล่านี้หรือไม่และคําถามคําตอบนั้นอนะ่ะคําตอบที่ได้มันถูกต้องตรงตามธรรมหรือไม่ค่ะ <c oughs> สรับรายการเราก็คงจะพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยความจริงอยากจ ะ, ะประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายเหมือนกันนะคะว่าท่านจะตั้งคําถามของท่านมาร่วมที่จะถามก็ได้เพื่อที่จะได้ตรงใจและบางทีคําถามของท่านนั้นอาจจะเป็นประโยชน์เผื่อแผ่ไปกับผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะอยากจะให้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงคือสามารถตอบคําถามใกล้ตัวก็ได้ตอบได้ไหมคะท่าน<ด>ธรรมะรไม่ตอบได้ทุกเรื่องเลยไหมคะท่านพุทธเจ้าเนี่ยตอบได้ทุกเรื่องค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะถามท่านว่าทํำยังไงถึงจะรวยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าตอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะให้จบเฉพาะในเรื่องของหมอดูสรุปว่าในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ท่านใช้วิธีไปพึ่งที่พึ่งซึ่งไม่ได้เป็นที่สุดของที่พึ่งและไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้จริงแต่ให้พึ่งแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสอนเอาไว้ โดยเฉพาะท่านสามารถปฏิบัติเองได้ก็คือให้มีการเจริญสมาธิเพื่ อ, อที่จะให้เกิดปัญญาแล้วก็คิดแก้ปัญหาของตัวท่านเองได้นะคะก็คงจะสรุปอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์คึกฤทิปโสติพโลแห่งวัดนาป่พงคลองสิบลำลูกกาไวใ้ในะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะนอมักการขอบพระคุณคะ่ะตอบคาถามทางโลกด้วยธรรมะจากพุทธวจนะ โดยพระคริสตโสติพโล ฟังวันนี้แล้วนะคะดิฉันแทบไม่อยากสรุปเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าคําพูดที่ท่านถ่ายทอดแล้วก็คําถามที่พี่ติ๋วถามแทนพวกเราที่เป็นถามโลกตอบธรรมเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนได้แง่คิดที่ดีมากเลยหรือพี่ติ๋วมีอะไรจะเสริมหรือเปล่าคะสําหรับแนวคิดตรงนี้เพื่อให้เราชัดขึ้นว่าเอ๊ะคนไทยเราวันนี้เชื่อหมอดูเยอะมากคือถ้ามาถึงตอนที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตอบแล้วดิฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยได้รับฟังกันแล้วก็ไปไตรตรองเอาเองเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยดิฉันถือว่าพุทธเจ้าเป็นที่สุดแห่งคําตอบ ทั้งหมดแล้วค่ ะ, คะนะคะก็หวังว่ารายการสันสนิษฐานาทางสทรอ FM ร้อยิวครอบครัวข่าวจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยให้วันนี้ของท่านเป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งนะคะแล้ววันต่อๆไปตั้งแต่ตีหเรามาพบกันกับรายการนี้แต่ถ้าจะให้ดีอยู่กับครอบครัวข่าวทั้งวันเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนิสนทนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสันสนินาคพง์ที่นี่สททอร f m ยวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน